อย่าไปสนใจหาความรู้อย่างนั้นเพราะถ้าเราไปสนใจหาความรู้อย่างนั้นเราจะหลงกลายไปเป็นสังขารตลอดเวลาเลยจะกลายเป็นตัวสังขารได้ปรุงแต่งได้แต่ที่โยมพูดพลาดช็อตเด็ดไปช็อตสําคัญไปก็คือไอตัวในใจที่มันกําลังหาหาหาดินน้นรนทำความเข้าใจอย่างนี้ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะหรืออย่างนี้ไม่ใช่ เราจะต้องกลับมารู้อย่างนี้ใช่ไหมมารู้ที่ตัวรู้อย่างนี้ใช่ไหมเวลามันมันเคลื่อนไหวเราเราค่อยออกไปรู้มันเวลามันไม่เคลื่อนไหวมันสงบแล้วเราต้องกลับเข้ามารู้มันรู้ตัวมันเองไม่สงบใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือไอตัวที่มันปรุงแต่งเยี้งเยีงยงยงอยู่ตลอดเวลานี้ยวะอันนี้ใช่ไหมมันเวลามันสงสัยไข่รู้อแต่มันปรุงแต่งเราต้องออกไปรู้มความปรุงแต่งนี้ใช่ไหมสงบแล้วมันต้องกลับมาลู้มความสงบไปไหนใช่ไหมไอตรงนี้ไม่ใช่สาระสําคัญ ตัวนั้นมันสังขารทั้งหมดนะสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเป็นสังขารทั้งหมดแหละแต่ที่เราสงสัยใครรู้ตอนเนี้ยมันก็สังขารเราเราหลงตัวเนี้ยหลงไปเป็นตัวสังขารตัวนี้เลยตอนนี้ยปัจจุบันเนี้ยไอ้ตัวสงสัยใครรู้ได้เป็นตัวเราเลยก็เอาสังขารเป็นตัวเราเอาตัวเราไปสังขารได้แต่ไม่ได้เป็นรู้ออกมาจากใจว่าไอ้ตัวขันห้าไอ้ตัวปอมเนี่ยมันกําลังสงสัยใครรู้อยู่โยมหมูอู๊ดเนี่ย แปลกมากเลยอ่ะพอเข้าใจละเออเข้าใจแล้วค่ะแล้วมันก็ทิ้งมันก็วางเปล่าไปหมดเลยเข้าใจความรู้ทั้งหมดอ่ะไม่มาเป็นรู้เลยอ่เข้าใจแล้วแล้วก็ทิ้งไปหมดเลยแต่ไม่เหลือรู้เลยอ่ะไม่เป็นรู้เลยแล้วก็อ่าพอพอพอถามทีอะไรทีเข้าใจละหายไปหมดเลยเข้าใจละต้องเป็นรู้แต่ไม่เป็นรู้เลยหายไปหมดเลยปล่อยวางหมดเลยไม่รู้เลย ไม่รู้สังขารเลยไม่ไม่เป็นรู้เลยเข้าใจแล้วแล้วก็ใช้ความคิดต่อไปตามปกติเข้าใจแล้วใช้ชีวิตใช้ความคิดต่อไปตามปกติเอาทําไมเป็นอย่า ง, งานั้นอ่ะทาไมทิ้งรู้ไว้หมดเลยยังไงเรียกว่าปัจจุบันขณะยังไงเรียกว่าปัจจุบันขณะรู้รู้เนี่ย เราจะต้องอยู่กับผู้แรีทุกคนที่การเทียนวิทยในไฟล์ว่ามีจะปิดเคิงรู้แบบปัิบันที่ชนะคาว่าขถามเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันปมายถึงไม่ไม่ใช่หมายถึงเป็นไาปฏิบันของการเดยไรแต่ว่าเป็นบัร ที๋จะต้องติดต่อเนื่องทุกขณะแต่ ว, ว่าพอบมื่อันี้พอได้รับคาตอบเข้าใจแล้วเองที่พอใจแล้วบันรลุปัจจุบันไปหนาตรงนี้ไปที่คอแล้วเราจะต้องต่อดูจะต้องต่อเนื่องทุกขณะที <c oughs> ไ่ไม่ได้ินแต่ไม่ถ้าม่ได้ รู้อะไรรู้อะไรรู้เจ้าหนูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ย ม, มูฎเข้าใจผิดเดียวไม่ได้ขึ้นทีวีรู้ดีแล้วขะกลับไปด้วว่า ไม่ใช่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่โยมหมูผิดตัวเอารู้รู้ผิดตัวแล้วเอารู้ที่มันสามารถปรุงแต่งได้ที่รู้ที่เข้าใจได้รู้ที่มันว่างได้รู้ที่มันพึงพอใจได้รู้ที่มันประมวลผลได้มาเป็นรู้มอดเลยแล้วก็เลยเอารู้นั้นไปปรุงแต่งได้ด้วย แต่ทุกตัวที่ที่หลวงตาพูดเนี่ยรู้ที่มันประมวลผลได้ที่มันปรุงแต่งได้ที่มันเข้าใจได้ที่มันรู้สึกวางได้ที่มันพึงพอใจได้ที่มันอิ่มเอิบได้เราเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วแม่คราวนี้เข้าใจมากเลยเข้าใจขึ้นไปอีกเข้าใจขึ้อีกไอตัวเหล่าเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นตัวอะไรเนี่ยมันเป็นสังขารหรือว่าอะไรมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยที่ที่อย่หมูพูดมาเนี่ยที่เป็นอยเป็นอยู่ตอนนี้ยคือ ไปหลงเอาเป็นเอาตัวสังขารเป็นตัวเราหมดเลยอ่ะเป็ตัวนี้เป็นตัวสังขารทั้งหมดเลยนะเนี่ยเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งทั้งหมดไปตัวอะไรที่มันแสดงแอคชั่นได้แสดงกิริยาการได้แสดงพฤตธิแห่งจิตได้แอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบกระทำอะไรได้ในที่รับที่แจ้งได้ตัวนี้เป็นตัวสังขารปรุงแต่งหมดเลยแต่ถ้าสังเกตได้ดีๆเดียวอะใครว่ารู้เรากําลังทํากิริยาการแบบนี้ภายในใจอันนั้นแหละคือถึงจะไปรู้แท้ ใครกำลังรู้ว่าเนี่ยเรากำลังใจว่างอยู่ไอ้ที่ไอ้ใจว่างไม่ใช่รู้แต่ใครมารู้ว่าตอนนี้ใจว่างอยู่ไอ้ใจว่างเนี่ยเป็นสังขารปุงแต่งเป็นขันห้าเป็นเวทนาขันไอ้ใครมารู้ว่าเนี่ยทันเกตดีใครมารู้ว่าเราเนี่ยดีใจโหเรากำลังเข้าใจมากเลยเรากำลังเลื่องล่าภายในจิตใจรู้สึกโ้หเป็นนิปิติมากเลยมันเบิกบานมากเลยเราเบรริกบานมากเลยมันพูดอยู่คนเดียว เราเบิกบานมากเลยเราเลื้งล่า ม, มากเลยเราเบิกบานมากเลยเราไอ้นี่เป็นอไรไอ้สิ่งเหล่านี้แต่เราตัเกตีดีๆเราไอ้เราไปเบิกบานในที่รับที่แจง้งไงก็ตาปุ๋ยสมมติเราไปเข้าห้องน้ำํำอุ้ยวันนี้เรามาชัดเจนมากเลยเข้าใจมากเลยแต่จริงๆนันนะ่ะถ้าตัเกตดีๆเอ้าใครมารู้ว่าเราเบิกบานวะเนี่ยใครมารู้เปล่าเราไมา่เราเข้าใจมากเลย <Yeah. S 1> ชัดเจนมากเลยอุ้ยอุยเรือว่าอึ้งเลยแมโ่โดนไม่โดนอาจารย์ดุอีกแล้ว อึงอ้งเออเนี่ยกําลังโดอาจารย์ดุกําลังอึง้งไปเลยอะไรเงี้ยเราตากล้อดีๆใครมารู้เราเรากําลังเป็นอย่างเงี้ยใครมารู้ไอ้ที่ไอ้ที่มารู้ว่าเรากำลังเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่นแนหะคือเราทแท้ๆนั่นะคือรู้เป็นรู้แต่ไอ้ตัวเราที่มีอาการอึง้งไปเลยโดนดุบ้างโดนชมเชยบ้างแหมดีมากอะไรบ้างแล้วมีอาการเลิงล่ามาอะไรเงี้ยไอตัวนั้นน่ะตากเกองดีๆมันเป็นตัวปรุงแต่ง เดี๋ยวหดหูได้เดี๋ยวเลิงล่าได้เดี๋ยวพองใสได้เดี๋ยวเจ้าหมองได้มันเป็นตัวสังขารตัวปรงแต่งแต่ถ้าเราเก็บดยีๆเราจะเกตดีๆต่อให้เราไปแอบเราไปเข้าห้องน้ำเราไปแอบเลิ้งล่าหรือหรือโดนลรคตาดุไปว่าไปแล้วเข้าห้องห้องน้ำมันจะอึ้องอึองไปเลยแต่ถ้าเก็ ด, ดีไข่วอลรูเราตัวนี้โดนดุมาอึ้องไปเลยไข่วอลรูอ่ะจานชมเชยเรามาเราแอบพองใสมากเราวันนี้แจ่มใสมากเลยเลยถ้าจะเก็บ ด, ดีๆ ไอ้ตัวที่แจ่มใสตัวที่เลิ้งล่าตัวที่อึ้งตัวที่เดนดูไอ้ตัวเนี้ยถูกรู้ทั้งหมดไอ้ตัวไหนถูกรู้เป็นตัวสังขานตัวปรุงแต่งตัวปอมหมดเลยเป็นตัวสมมติเดี๋ยวมันต้องตายแตกดับหมดแต่เราแท้แท้เนี่ยคือไม่ว่าเราจะมีกิริยาการอย่างไรไปซ่อนที่ไหนอ่ะมันรู้เราหมดเลยเนี่ยไอ้นั่นแหละเราแท้แท้ที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่มีตัวตนไม่อาจจะหลบซ่อนเราได้เลยไอ้เราที่มารู้ตัวเราได้เลยไอ้นั่นแหละเป็นรู้นั่นนะเนี่ยเนี่ยตัวที่กําลังประมวลผลตอนนี้ด้วย ที่กลังประมวลผลเอออ่ะออย่างงี้เออยอย่างเงี้ยี่อย new, อ่างงี้เอออย่างงี้ย í, เราเก็กำลังประมวลผลเออไตัวนี้เข้าใจอืมอืมไม่เข้าใจเออเตรงนี้เอออย่างงี้อย่างงี้กำลังไอ้ตัวประมวผลวมวผลนี่ก็เป็นตัวสังขารนะตัวปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตัวสมมุติตัวปอลปอมนะที่ประมวลผลได้เนะี่มันมีตัวประมวลผลอยู่ข้างในใจเหมือนเราสั่งอะไรป้อนข้อมูลเข้าไปให้มันพินเตอร์แล้วเรากดเครื่องพิมพเตอร์ปุ๊บมันจะประมวลผลก่อนที่มันจะสั่งพิมพ์ออกมา มันจะเสียงดังแก๊แอ๊แกเนี่ยตอนนี้ที่มันอยู่ในใจเนี่ยคือตัวสังขารเนี่ยเนี้ยตัวมันปุงอยู่ตรงไหนเนี่ยก็เราเรากะมวลผลอาจารย์ดุ้างจมเจ็ากเข้าใจมัางไม่เข้าใจมางอะไรประบวนผลก็อะก็อะไรกดเครื่องรอะไ่อ่าราก็อะไรก็อะไรก็อะไร็นะไวก็อะไระมวลผละไรก็ไอะไรรรไรก็อะรอไรกรอะไร็อะไะรกไรกรอะมรก็อะะไระไรม็รระไอไรกระ มันมีประมวลผลวิเคราะห์วิเคราะห์อยู่ไหมตามจริงตอนเนี้ยเอาเอาเอาพูดเอาไหมว่มันไม่ได้วิเคราะห์หรือ ป, ประมวลผลออกมาเป็นคาพูดแต่แต่ว่ามัน เ, นเออนนแน่นนแน่นนแน่แน่แบบไม่เป็นภาษาเออแน่แน่แน่แน่ต่แต่แต่ว่าก็เห็นมัน อ, อยู่น อ, อยู่แล้วหลวตอออาบอาเป็นสัขารพอมันเป็นสังขารเราก็ย้อนกลับนะครับ ือเดี๋ยวดี๋ยวไม่สะดุดไม่สะดุดโอ้โหคิดนึกว่าจะสะดุดและวพูดเดี๋ยวเนี่ยหลุดพอจะพูดอย่างเดียวเลยไม่หยุดด้วยโอ้โหเมื่อกี้นึกว่าสะดุดขาดเลยนะเนี่ยเมื่อกี้นิดเดียวเนี่ยไม่ไม่สะดุดที่บอกว่าเออเห็นแล้วเห็นแล้วแหละเลยก็พยายามจะจะย้อนเข้าไปดูถ้าเป็นรู้มันย้อนได้ไหมอ้าวท่านทำไมไปอ่า เมือกี้จะฟันให้ขาดตรงเนี้ยเลยพอพูดต่อปุ๊บไม่ไมัน ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่ทันเลยไม่สะดุดมันก็เลยพูดไปเลยขาดเลยไปเลยเอ๋อออให้ให้เข้าใจอ๋ออย่างงั้นให้หมอก่อนเอหมอตุ้ยชัยก็ได้เอ๋อขนาดรูย้ยังฟังยังฟันไม่ขาดเลยขนาดรู้เห็นนี่กระจายกระจายยังฟันไม่ขาดเลยความสามารถขนาดนี้ยังฟันไม่ขาดเลยเรายังยอมแพ้เลย ต้องให้ตรงไมคคนอื่นได้ไปเลยยังยอมแพ้เลยคิดว่าวันนี้ไม่ได้ เ, เดี๋ยววันหน้าคงได้วันนี้ไม่ได้วันหน้าคงฟันขาดได้วันนี้คงยังไม่ใช่เป็นวันของเขาวันข้างหน้ายังมีอยู่การสอนคนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยรู้ตัวเองดีกว่าสอนคนเนี่ยแต่จะมีความรู้เขาทุกทุกขณะจิต จังฝันไม่ขาดเลยเพราะว่ามันภ ใ, ในใจเขาซับซ้อนเกินไปจริงๆบางทีเราใจร้อนเกินไปเรากับฝันทีเดียวให้ขาดทีเดียวให้ขาดฝันหลายทีฝันไม่ขาดมันฝันใจหนังตัติก๊กยางหนังตัติ๊กปันแล้วก็เด้งฝันแล้วก็เด้งฝันแล้วก็เด้ง บางทีใจเขาสงบไม่พอบางทีในใจเขาไม่มีความเล่าร้อนมีความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นมากเกินไปอยากจะพูดบางทีมันพูดส่วนออกมาเลยไม่มันไม่เลยไม่มันขาดความสงบปุ๊บไอ้ตัวนี้มันซึ่งบอกอาสวะอนุสัยกิเลสเครื่องดองสันดานนิสัยความเคยตัวเคยใจของแต่ละคนเนี่ยมันมาปิดบงังหมด ความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อย่างเป็นอยากพูดมากไวอยากพูดให้ฟังนิดเดียวบางทีหลายคนพ า, าชจดเด็ดตรงนี้ไปอยากพูดให้ฟังอยากพูดต่ออีกนิดเดีย ว, วเราจ่าสั่งไว้บอกว่าหลวงตาเนี่ยจะบอกอย่างเดียวนะเจ้ามีหน้าที่ทำต่อไปเลยพอพอ บ, บอกปุ๊บความหมายพูดเลยจบเลยตอนนี้ไอไอไอสมาธิตรงนั้นน่ะมัน สติปัญญาตอนนั้นมันกำลังจะเปรี้ยงแล่ะมันขาดหลุดไปแล้วพอความมายจะพูดจะพูดจะโต้อตอบมันหลุดไปเลยหลุดมันไม่มันไ ม, ไม่ไม่เป็นธรรมขนาดจิตความสงบใจไม่พอความสงบใจตรงนี้จึงเห็นคุณของความสงบใจความสงบใจไม่พอ เลยมันจะถูกไปเอาวิชากิเลตตัณหาเพื่อไปอาสวะอนุสัยความเคยตัวดิกใจนิสัยของเรามันจะจะจะพูดอยากจะเราเห็นอยากเข้าใจอยากจะเป็นอย่างอย่างอย่างอย่างมันมันอยากโต้ตอบข้างในมันแม้แต่ลงตาไม่ให้ไม่ให้พูดตอนนี้ไอ้กันอนี้แต่ข้างในมันโต้ไม่หยุดมันโต้มันเถียงมันเหมือนกับวันนี้เราก็ไปก็บไปกับยมอ๋องไปที่ที่เนี่ะเอี โฮมโปรมีโยมคนหนึ่งเนี่ยมีโยมคนเนี่ยแบบอย่างเงี้ยแอคทีฟอย่เ ง, งี้ยมีความรู้ความเห็นใจอยากจะบอกอยากจะเล่าเดี๋ยวเะละเวลาลูกตาพูดไปอะโอกาสที่จะไปเบรกเขาไว้หยุดแต่ไม่มีเลยคือฟันในขณะจิตไม่มีเขาปุ๊บปบออกมาเลยพอเราบอกงี้ปุ๊บเขาก็ปุ๊บรู้ออกมาหมดเลยอ่ะแต่ลูกของเขาเนี่ยมัน พอเราฟันขนาดจิตไปเขาพุ่พุงพุ่งพุ่อย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมอย่างนี้อย่างเงี้ยรู้หมดเลยอย่างนี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เราก็รอให้เขาหยุดพูดหยดพูดเสร็จเราก็ฟันขนาดจิตบอกเขาเนี่ยพอบอกปุ๊บไม่พูดไปทันเต็จอะอย่างนี้อย่างเี้ยอย่างนี้อย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้อือหือมสุดทายบอกว่าของคุณนี่มิมิมิจะ่งพุ่งพุ่พุ่งพุ่งพุ่ไปข้างหน้าแต่ไม่รู้ใจที่มันต้นทางที่มันพุ่ง แต่ว่าไปที่ปลายทางแล้วเรียบร้อยแต่ต้นทาง น, นี้ที่มันจะพุ่งออกไปไปใส่ใครเนี่ยมันไม่รู้อ่ะพอเราตอบไม่ตอบไม่ทันใจก็หงุดหงิดหงุดหงิด <S <S <S <S สแสดงอาการออกเลยหงุดหงิดใช่ไหมสามสองหนึ่งบนเนี่ยแล้วก็เป็นกันนั้นเนี่ยเป็นกันเนี่ยอย่างโยมหมูอูดเนี่ยโยมอะไรนะโยมพี่สาวของท่านเนี่ยเป็นเน่ะมาตั้งแต่วันแรกเราพยายามหักหักหักหัก ห, กหักหักดิบมาอยู่เรื่อยๆ ให้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงเหมือนไม้เหมือนเหล็กให้มันเหลือเป็นไม้แปรไม้แปรรูปให้เป็นหวายพร้อมจะดัดมันแข็งมันจะโตจะโตข้างในอ่ะมจะโตตลอดโตโตโตโตมันจะพูดออกมาผู้กว่างก็ใจออกมาพูดจะพูดให้ฟังจะพูดให้ฟังจะพูดให้ฟังแล้วก็พอพูดจบธรรมะหายหมดเลยอยู่กับปัจจุบันหายหมดแต่มันไม่รู้อ่าคนนี้ไปรู้จริงยไงพูดจบแล้วโตเสร็จแล้วอยู่ปัจจุบันแต่แล้วพอจะพูดอีก มันพุง them, like so just, quite, quite, quite ่งปู่โตใส่เราอีกอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆค่อยๆเบรกย้าเบรกย้ำย้ำย้ำเหมือนรถมันจะชนกันเน่ะจะเบรกกระแทกทีเดียวไม่ได้ก็ต้องค่อยๆค่อยเบรกยึดพื้นพื้นพให้มันหยุดโซลดาวเนี่ยโยบีสาเนี่ยกวรจะมาถึงวันนี้ได้ใช้เวลาหลายวันมากเลยวันเนี้ยจนกระทั่งมาถึงมาเห็นคนที่เป็นบ่ายพูดเนี่ยวันเนี้จึงเราจึงเห็นว่าหยุดไปได้เยอะมากเลยลองเอาไม้ให้พูดหน่อยสิ พูดออกมาจากใจจริงๆเลยสิแต่ละคนมันเป็นแบบนี้เราเหนื่อยมากเลยที่ใช้ความพยายามมากเลยนะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเจ้าตัวไม่ร้วนน่ะแต่ละแต่ละคนเนี่ยเราช่วยจนเต็มกำลังความสามารถนะไหนพูดออกมาจากใจสิเอาว่าจริงอย่างที่เราพูดไว้เนี่ยนี่ไหย ในตอนที่เราอยากจะพูดเราไม่สนใจความรู้สึกใครในตรงนี้สําคัญมากนะไม่เลยไม่ยอมรับฟังในตอนนั้นจะพูดพอจะพูดให้ได้เพราะตอนนี้อยากจะพูดต้องการจะพูดอย่างนี้อย่างนี้จะพูดให้ฟังจะพูดให้ฟังบอกไม่ใช่อยู่เฉยเดี๋ยวจะเข้าใจมันต้องจะพูดให้ฟังให้ได้ไม่ต้องการไม่ไม่พูดไม่ได้แล้วพุง่งพุ่งก็มัก็ หายไปเลยธรรมะมันก็หายไปทุกครั้งแล้วมาถึงวันนี้แล้วเป็นไงเอา้าทุกทีอยากจะพูดต้องพูดได้พูดพูดเถียงตลอดโต้ตลอดแล้วต้องพูดใได้ดดดดอแล้วมาถึงวันนี้เราเป็นไงพอวันนี้มีความเข้าใจในในสิ่งที่ตาสื่อมีความเข้าใจได้ที่เราฟังนะฮะก็ทำให้เราเนี่ย เข้าใจว่าอิจนั้นเนะ็นตัวแต่งขางพอเรายอมรับเนี่ยมันก็รู้ตัวโดยปริยายแล้วเราก็หยุดกัรปรุงแต่งโดยปริยายของมันเองอย่างนี้ค่ะแล้วสิ่งที่ที่เมื่อหยุดตามถ้าหยกเข้าใจนะฮะหมายถึงว่าเราควรจะพอเรอยดรู้ของมันการปุงแต่งโดยด้วยอัตโนมัติของเราเองหรือว่า เคยสั่งมันเอาไว้ว่าโอเคอันนี้มันเป็นสังขารนะคะทำให้เราชัดเจนขึ้นทำให้เราปล่อยแล้วเราต้องตระหนักความรู้สึกตรงนั้นของเราด้วยช่นคัะที่เราลูกตัวโดยปริยายตรงนั้นของเรานะคะที่สร้งทกมแล้วตอนนี้ฝึกฝนยังไง อ, ม, อ ม, มันอาจจะผิดพลาดไปบ้างอาจจะถลําไปบ้างแต่ก็พอฟังที่ตามใจก็เข้าใจว่าเราจะต้องตอนรู้ตัวนั่นก็คือรู้แหละแล้วเราก็อยู่เหยียดยับไปเรื่อยมันก็เหมือนงแตกสังขารเราก็รู้ตัวก็รู้เรารู้ของความงแตกแล้วเราก็รู้ตัวตรงนั้นขึ้นมาก็ให้รู้ทาอย่างเนี้ยต่อไปเรื่อย ๆ, ๆ ก้าวผิดก้าวผิดก็จะก้าวผิดน้อยลงน้อยลงแล้วก็จะยอมรับพิ่จะผิดแล้วก็เลิกตั้งใจถูกต้องแล้วล่ะแต่ยังไม่ถึงที่สุดถึงที่สุดยังไงรู้ไหม ตอนที่รู้สึกตัวแล้วเราอยู่กับความรู้สึกตัวแต่ไม่มารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยไม่มาเป็นรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยมีความคิดการพูดการกระทำอะไรทุกขณะปัจจุบัน <Torah> เราไปอยู่แต่ความรู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าไม่เป็นรู้แต่ไปเป็นความรู้สึกตัวซะแต่ไม่ได้มาเป็นรู้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วก็อร่างกายเรามันคิดมันพูดมันกระทำอะไรทุกขณะปัจจุบันเน่ะให้มันเป็นสังขารไปซะ แล้วก็มาเป็นรู้ร่างการจิตใจของเราให้เป็นรู้รู้อะไรก็ไม่ว่าเราจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทำแอบอะไรในซ่อนเล่นในที่รับที่แจ้งไงก็ตามไม่หลอดพนจากรู้ได้เลยให้อยู่กับรู้ให้เป็นรู้นั้นแต่เราไปเป็นแค่พอ ม, มาหลงแล้วรู้สึกตัวแล้วมาฝึกแค่เป็นความรู้สึกตัวอยู่ทื่อๆอยู่งั้นแหละแต่ไม่ได้เป็นรู้ว่าเราแอบคิดแอบพูดแอบกระทา หรือในที่ลับหรือในที่แจ้งหรือที่นี่เปิดเผยทุกขณะปัจจุบันน่ะให้เห็นว่าไอ้ร่างกายสังขารขันห้าสิ่ปรุงแต่งตัวสมมติเนี่ยมันไม่ใช่เราที่แท้จริงแท้จริงมันมีเราแท้จริงคือผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่เองแล้วก็ให้เป็นรู้นั้นหรืออยู่กับรู้นั้นคือรู้อะไรก็รู้ตัวเราที่เป็นขันห้าเนี่ยตัวปรุงแต่งตัวสมมติเนี่ยที่มันมีการคิดการพูดการการะทําในทุกขณะปัจจุบันให้เป็นรู้ตัวเราเรื่อยไปแต่เห็นว่า ไอ้ตัวเราเนี่ยที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวสังขารเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสมมุติแท้จริงเราคือรู้ที่ไม่มีตัวตนหาตัวตนมันไม่มีแต่มันสามารถรู้ตัวเราได้ตลอดเวลาให้เป็นรู้นั้นนี่เนี่ยมันจะไปถึงขั้นสูงสุดได้รู้แน่แนะนที่ท่านกล่าวว่าเป็นใจผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพระนิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหลักนั้งหลายอยู่กับรู้นั้นหรือเป็นรู้นั้นไม่มาเป็นตัวขันหน้ตัวปรุงแต่ง รู้อะไรก็รู้ขันห้าเนี่ยรู้รู้ตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่มันมันคิดมันนึกมันตึกมันต่อมันพยายามอะไรไม่ว่ามันแอบคิดอะไรทั้งดีทั้งชั่วในที่รับในที่แจ้งให้เห็นว่าไอ้ตัวที่มันถูกรู้เนี่ยที่ตัวปรุงแต่งได้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นรู้ตัวเรานั่นแหละเป็นรู้นั่นอยู่กับรู้เข้าใจอ๋อย้อนกลับให้โยมูนี่โยมูเข้าใจไหมตอนนี้ยย้อนใหม่กับให้โยมูนั้นมีสองใหม่อะใม่มันมาอยู่หน้าหมดเลยข้าหน้าไว้ขนางหลังอันโยมูนี่เข้าใจไหมตอนนี้อ๋อ ที mm ่ยมอะไรนะนี่กี <right? S 1> s <S ่ยมอะไรนะชื่อยมอะไรนะยอมติ๋วเออยมติ๋วที่ยมติ๋วพูดเนยยมหมูเข้าใจไหมแ้แล้วที่ตรงตาพูดแล้วเรียกยมยมติ๋วมาพูดยมหมูเข้าใจไหมอ๋อเนี่ยยอมหมูเข้าใจไ้มอ้าวมันไปอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าแ่ะว่ามันนี้ไปไหนเป็นคาม อ้ที่ไม่ฟังไม่ค่อยอได้ฟังไปอยู่ที่ไหนไม่ได้ได้ฟังไปอยู่ที่ไหนโซดสัจเจ ร, รู้ว่าว่าที่มาทีีโสภาสอนเ น, นี่ยรู้อ๋อผ่าเนี่ยผ่าจะแล้วเป็นหมกมุ่นซะแล้วกลายไปเป็นตัวคิดไม่เป็นรู้ซะและกลายเปหมกมุ่นคุณคิดเลยเนี่ยกลายไปเป็นตัวปรุงแต่งได้ไม่ใช่ว่ารู้ตัวเราปรุงแต่งเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารปรุงแต่งหมกมุ่นเลยกับตัวเองจะไม่รู้เลยว่า เขากี่กขพูดเขาคุยกันเรื่องอะไรอออืืพาจอดเด็ดไปเราสาเลี้ยโยนติวมาเพื่อจะพูดให้กระแทกไปถึงโยนหมูหลุดไปเลยไอ้ที่เรามันหายไปเลยนะไปหมก ม, มุ่นอยู่แต่ข้างในเราบอกว่าพยายามไปรู้ตัวอยู่ข้างในไอ้พยายามไปรู้พยายามไปรู้เนี่ยอันนี้มันหมก ม, มุ่นนะเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งไม่ใช่เป็นรู้อ๋อจะกลับละละละอ๋ะอ อ, อ๋ได้ได้ไง สาธุสาธุครัได้ได้ดีๆในหนังสือไปแล้วเนาะเอาไปอ่านไปฟังนะมันที่จะเข้าใจนะผมฟังเขาฟังก็ไม่ทันแม่อะไรก็ก็ไปไปไปเล่งอ่านเล่งทำความเข้าใจครัอืมอืมอืมอืมเข้าใจไหมล่ะเนี่ยที่ที่ที่เขาพูดพูดที่ ตอนตอ น, นีพอ่พอจะรู้เรื่องบ้างไหมเอ้าใหม่ทีอ่อ่ะก่อจะกลับนะก่อนจากเออยังไงอา่อาอา่ะอะเข้าใจไม่เข้าใจยังไงที่ดังฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ายัางไงพูดตามตรงได้เลยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงก็แล้วคนมาใหม่มันฟังทันเขาไหมยังไงทันหรือไม่ทันหรือว่ายัางไงเพราะเข้าใจลางเลือนหรื อ, อยังไงแกอยากจะรู้เหมือนกัน เรียบเรียงเรียบเรียงให้เวลาเรียบเรียงอแล้วพูดออกมาจากใจถอนถอนบ้าคือคือต้องต้นแยกความคิดออกจากคือความคิดแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าตัวคือตัวหนูเนี่ยยังยังถาว่าก็ยังยังไม่เหล้าวก็ยังยึดติดอยู่กับความคิดนอยู่มยังยังล้าไม่ คือตัวตัวของตนเองเนี่ยตัวเราเองเนี่ยรู้แต่ก็ยังบางบางทีก็คือยังไปยึดติดกันในต่วนความคิดอืมฝึกให้มันเป็นรู้ตัวเองแล้วก็จะจะหลงไปเป็นตัวคิดให้เป็นรู้นะอ ะ, ะ, อะมาเขาได้ขนาดนี้ก็จะได้แหละ ใช่สาธุเอาหนังสือไปฟังตั้งใจสดีๆไปอ่านวัตุวตถุวัตถุความสุจิเลยใช่เอาเอาให้หมอหมออไรนะอะมายกยกยงเอาหมอยงอ่ยเอามาให้หมอหยงนี่ไอเนี้ยเมื่อกี้ที่โต้ตอบคุยกับอุโยมเขาโยมหมูโยมโยมติ๋วอะไรเนี่ยหมอหยงเอาสรุป ออกจากใจสิื่อมันผ่าดจดเด็ดกันอะไรกันตรงไหนมันเป็นยังไงหมอหยงออกสรุปออกจากใจแล้วหมะอหยงจะเข้าใจทั้งตัวเราเองแล้วเข้าใจต่างคนอื่นไม่เป็นไรไเพราะว่าเดี๋ยวก่อ น, น, น, น, น, น, นเดี๋ยวนี้นี่นิดเดียวจิตใจไม่ปกติอันนั้นน่เป็นอะไรเออใช่เราจะไปสนใจอย่าไปสนใจแก้ไข ป, ปรับมันให้เป็นอะไรให้เป็นใจใจที่รู้มันอย่าไปเป็น ตัวที่ใจิตใจไม่ปกติไอ้ตัวนั้นเป็นสังขารให้เป็นใจที่รู้ว่าใจไม่ปกติไอ้นั่นให้เป็นรู้